สิกขาบทที่หภพิกษุนีเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาก่อนฉันพัตตาหารนั่งบนอาสนะแล้วจากไปโดยไม่บอกเจ้าของบ้านต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ่ย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่บริเวณชายคาต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าก้าวที่สอง ต้องอาบัตปาจิตตี